พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองจุ ล, ล่ทุกขคันทสูตรว่าด้วยกองทุกขสูตรเล็กสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครทารามเขตกรุงกระบิลพัดในแคว้นสักกะครั้งนั้นเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วสิ้นกาลนานอย่างนี้ว่าโลภะโทสะโมหะเป็นอุปกิเลสแห่งจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นบางคราวโลภะธรรมยังครอบงามจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างบางคราวโทสะท ร, รมยังครอบงามจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างบางคราว โมหะธรรมยังครอบงามจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าธรรมคือธรรมะอะไรเล่าที่ข้าพระองค์ยังลักไม่ได้ในภายในซึ่งเป็นเหตุให้โลภะธรรมโทสะธรรมโมหะธรรมยังครอบงามจิตของข้าพระองค์ไว้ได้บ้างเป็นครั้งคราวพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหานามะ ธรรมะในภายในนั้นแหละเธ อ, อยังละไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุให้โลภะธรรมโทสะธรรมโมหะธรรมครอบงำจิตของเธอไว้ได้เป็นครั้งคราวถ้าเธอจกละธรรมะในภายในนั้นได้แล้วเธอก็จะไม่พึงอยู่ครองเรือนไม่พึงบริโภคการรมแต่เพราะเธอละธรรมะในภายในนั้นยังไม่ได้เธอจึงยังอยู่ครองเรือนอย่างบริโภคกาม แม้หาอริยาสาวกเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่เมื่อเห็นดังนี้ก็ตามแต่อริยาสาวกนั้นก็ยังไม่บรรลุฌานที่มีปีติและสุขข้อนี้หมายถึงปฐมฌานและทุติยฌานแต่อริยาสาวกนั้น ก็ยังไม่บรรลุฌานที่มีปิติและสุขที่ปราศจากกามทั้งหลายปราศจากอกุศลละธรรมทั้งหลายหรือยังไม่บรรลุธรรมอื่นที่สงบกว่าฌานทั้งสองนั้นดังนั้นเขาจึงชื่อว่าจะไม่เวียนมาหาการมทั้งหลายอีกก็หาไม่คำว่าไม่เวียนมาหาการมทั้งหลายอีกก็หาไม่หมายถึงยังจะต้องกลับมาหาการมทั้งหลายได้อีก เพราะไม่มีสมุทเฉทปหารคือละได้เด็ดขาดด้วยมักสองคืออนาคามิมักและอรหัตตมักทั้งนี้เพราะพระอริยาสาวกแม้จะบรรลุมักสองคือโสดาปติมักและสกทาคามิมักแล้วแต่ก็ยังไม่บรรลุญาณหรือมักเบื้องสูงแต่เมื่อใดอริยาสาวกเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า การทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่อริยสาวกนั้นย่อมบรรลุฌานที่มีปีติและสุขที่ปราศจากการทั้งหลายปราศจากอากุศลธรรมทั้งหลายหรือบรรลุธรรมอื่นที่สงบกว่าฌานทั้งสองนั้นเมื่อนั้นเขาจึงชื่อว่าย่อมไม่เวียนมาหาการทั้งหลายอีก มหานามะก่อนการตรัสรู้แม้เมื่อครั้งเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เราก็เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่าการทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่เราเห็นดังนั้นก็ตามแต่เราก็ยังไม่บรรลุฌานที่มีปีติและสุขที่ปราศจากการทั้งหลาย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 เราได้บรรลุฌานที่มีปีติและสุขที่ปราศจากกามทั้งหลายปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลายหรือบรรลุธรรมอื่นที่สงบกว่าฌานทั้งสองนั้นเมื่อนั้นเราจึงปฏิญญาว่าไม่เวียนมาหากรรมทั้งหลายอีกรัสถึงเรื่องกรรมคุณและโทษแห่งกรรมเหมือนพระสูตรที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี้ การมคุณห้าได้แก่รูปที่จะพึงรู้เห็นทางตาเสียงที่จะพึงรู้เห็นทางหูกลิ่นที่จะพึงรู้เห็นทางจมูกรสที่จะพึงรู้เห็นทางลิ้นโผฏฐพะ ท, ที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าประทนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่ผ่าใจให้กำหนัดนี้เป็นการมคุณห้า การที่สุขสมนัตเกิดขึ้นเพราะอาศัยกรรมคุณหประการมีชื่อว่าเป็นคุณแห่งกรรมทั้งหลายซึ่งเป็นสุขเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับโทษที่เกิดขึ้นเพราะกรรมเช่นต้องลำบากตราตรำในการทำงานเลี้ยงชีพแม้จนตายก็ยังไม่สามารถหาสุขจากกรรมคุณได้พออย่างที่ต้องการบางคนขยันภาคเพียรเหนื่อยยากแต่ก็ยังไม่รวยหรือสำเร็จอย่างที่หวัง เกิดความทุกข์ใจคร่ำครวญหลงเพ้อว่าความพยายามของเราไม่มีผลเลยหนอบางคนขยันภาคเพียรจนสำเร็จอย่างที่หวังแต่ต้องทุกข์เพราะห่วงภัยจะมาเบียดเบียนแย่งโพกสมบัติเหล่านี้ไปหรือทุกข์เพราะเสียไปจากไปไหม่น้ำท่วมโดนโกงโจรปล้นหรือเหตุอื่นๆเป็นต้นกรารมคุณห้า เป็นต้นเหตุให้เกิดการแก่งแย่งวิวาททำร้ายฆ่ากันได้ตั้งแต่พระราชากับพระราชาจนถึงระหว่างญาติพี่น้องเพื่อนสนิทกามาคุณเป็นเหตุทำให้เกิดการขโมยอยากได้ของผู้อื่นการปล้นละเมิดพันยาผู้อื่นเป็นเหตุให้ถูกลงโทษเมื่อโดนจับได้เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายชนทั้งหลายจึงประพฤติกายทุจริตวาจีทุจริต และโมโนโทุจริตหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกลัดธิของนิครณมหานามะสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิจกูดเขตกรุงราชครึสมัยนั้นณนะตำบวนกาลศิลาข้างภูเขาอีสิคิลินิครณเป็นจำนวนมาก ถือการยืนเป็นวัดปฏิเสธการนั่งสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนซึ่งเกิดจากความพยายามครั้งนั้นเราออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นเข้าไปหานิโครนเหล่านั้นจนถึงตำบลกาลาศิลาข้างภูเขาอีสิคิลิธแล้วได้กล่าวกับนิโครนเหล่านั้นว่านิครนทั้งหลายชไหนเล่าท่านทั้งหลายจึงทําเช่นนี้ นิครนเหล่านั้นได้กล่าวกับเราว่าท่านผู้มีอายุนิครนธนาตบุตรเป็นสัพพัญยูคือเป็นผู้รู้ทุกสิ่งเห็นสิ่งทั้งปวงปติญญายานัทสนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นอยู่ญาทัทสนะได้ปรากฏ ต, ต่อเนื่องตลอดไปนิโครนธนตบุตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่านิครนทั้งหลายผู้เจริญ บาป ก, กรรมที่พวกท่านทำแล้วในการก่อนมีอยู่พวกท่านจงสลัดบาป ก, กรรมนั้นด้วยปฏิปทาที่ทำได้ยากอันเผ็ดร้อนนี้ข้อที่ท่านทั้งหลายสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจในการระบัดนี้นั้นเป็นการไม่กระทำบาป ก, กรรมต่อไปเพราะกรรมเก่าสิ้นสุดไปเพราะตะบะคือการบำเพ็ญเพียรอย่างหนักเพราะไม่ทำกรรมใหม่ จึงไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมต่อไปเพราะไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมต่อไปกรรมจึงสิ้นไปเพราะกรรมสิ้นไปทุกจึงสิ้นไปเพราะทุกสิ้นไปเวทนาจึงสิ้นไปเพราะเวทนาสิ้นไปทุกทั้งปวงจึงจักเป็นอันสลายไปคําที่นิกรนธนาตบุตรกล่าวแล้วนั้นถูกใจและชอบใจเราทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นพวกเราจึงมีใจยินดีเมื่อพวกนิกรณกล่าวอย่างนี้แล้วเราได้กล่าวกับนิครณเหล่านั้นว่านิครนทั้งหลายพวกท่านรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายได้มีแล้วมีใช่ไม่ได้มีแล้วพวกนิครนตอบว่าท่านพระโคโดมข้อนี้มิได้เป็นดังนั้นตถาคตถามว่าพวกท่านรู้ไหมว่าเมื่อก่อน เราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมไว้มิใช่ไม่ได้ทาไว้พวกนี้กลอนตอบว่าท่านพระโคดมข้อนี้มิได้เป็นดังนั้นตถาคตถามว่าพวกท่านรู้ไม่ว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายได้ทำบาปกรรมเช่นนี้บ้างเช่นนี้บ้างพวกนี้กลอนตอบว่าข้อนี้มิได้เป็นดังนั้นตถาคตถามว่าพวกท่านรู้ไม่ว่า เมื่อก่อนทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วทุกเท่านี้เราพึงสลัดหรือเมื่อเราสลัดทุกเท่านี้ได้แล้วก็จักเป็นอันสลัดทุกได้ทั้งหมดพวกนี้กล ون ตอบว่าท่านพระโคดมข้อนี้ไม่ได้เป็นดังนั้นตถาคตถามว่าพวกท่านรู้จักการละอากุศลธรรมทั้งหลายการบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายในปัจจุบันหรือไม่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 เราได้ทำบาปกรรมเช่นนี้บ้างเช่นนี้บ้างไม่รู้ว่าทุกเท่านี้เราสลัดได้แล้วทุกเท่านี้เราพึงสลัดหรือเมื่อเราสลัดทุกเท่านี้ได้แล้วก็จักเป็นอันสลัดทุกได้ทั้งหมดไม่รู้จักการละอกุศลธรรมทั้งหลายการบำเพ็ญกุศลธรรมทั้งหลายในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ที่บวชในพวกนิครนก็เฉพาะแต่พวกโหดร้าย มีมือเปื้อนเลือดทำกรรมชั่วช้ากลับมาเกิดในหมู่มนุษย์ในโลกพวกนิกรนตอบว่าท่านพระโคดมบุคคลไม่ใช่จะพึงประสบความสุขได้ด้วยความสุขแต่จะพึงประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์ถ้าบุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแขวนมาคตก็คงจะประสบความสุข เพราะพระเจ้าพิมพิสารจะอยู่เป็นสุขกว่าท่านพระโคโดมตถาคตถามว่านิครนทั้งหลายกล่าววาจาหุนหันไม่ทันพิจารณาอย่างแน่แท้ว่าบุคคลมิใช่จะพึงประสบความสุขได้ด้วยความสุขแต่จะพึงประสบความสุขได้ด้วยความทุกข์ถ้าบุคคลจะประสบความสุขได้ด้วยความสุขพระเจ้าพิมพิสารก็คงจะประสบสุขยิ่งกว่าท่านพระโคดม แต่ว <PTSD> <griff Buddhist S 1> ่าเราเท่าน <Allison> ั้นที่พวกท่านควรรักถามในเนื้อความนั้นว่าบรรดาท่านทั้งหลายใครเล่าหนออยู่เป็นสุขกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารหรือท่านพระโคดมเองพวกมิครนจึงถามต่อว่าบรรดาท่านทั้งหลายใครเล่าหนออยู่เป็นสุขกว่ากันพระเจ้าพิมพิสารจอนทัพแคว้นมคธรือท่านพระโคดมเองตถาคตถามว่า ถ้าอย่างนั้นในเนื้อความข้อนั้นเราจะถามพวกท่านนั้นแล้วว่าพวกท่านเข้าใจอย่างใดควรตอบอย่างนั้นพวกท่านเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรพระเจ้าพิมพิสารจอมทับแคว้นมคตไม่ทรงเคลื่อนไหวพระวรากายไม่มีพระดำรัสสามารถสวยสุขโดยส่วนเดียวอยู่ตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนหรือไม่พวกนิครนตอบว่า ท่านพระโคโดมข้อนี้มิได้เป็นดังนั้นในเรื่องนี้ตรัสถามทีละช่วงตั้งแต่หคืนหวันจนมาถึงหนึ่งคืนหนึ่งวันว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแคว้นมคตถ้าไม่ส่งเคลื่อนไหวพระวรกายไม่มีพระดำรัสสามารถสวยสุขโดยส่วนเดียวอยู่ตลอดแม้หนึ่งวันหนึ่งคืนได้หรือไม่พวกนิครนตอบว่าท่านพระโคโดม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 พวกนีครนตอบว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านพระโคดมเท่านั้นอยู่เป็นสุขกว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแขวนมคตพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วเจ้าสักยะพระนามว่ามหานามะทรงมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลจบจุลทุกขักขันทสูตร จะพระไตรปิฎกเล่มที่12